บทภาชณีติกะปาจิตตี173่ิภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติให้จีวรต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุนีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจให้จีวรต้องอบัตตปาจิตตีเว้นไว้แต่แรกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติให้จีวรต้องอบัตตปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันติกะทุกกฎ ภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุให้จีวรนต้องอบัตทุบกฎเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติให้จีวรต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจให้จีวรต้องอบัตทุบกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติให้จีวรนไม่ต้องอบัต